สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่สองร้อยสิบเอ็ดรับมอบสิทธิอานาจพี่น้องครับเมื่อสองวันที่ผ่านมานะครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของสิทธิทีอำนาจของพระเยซูที่พระองค์ทรงมีอยู่และทรงเป็นพระเยซูทราบนะครับว่าในบ้านเมืองของพระองค์นั้นที่นาซาเลตไม่ยอมรับสิทธิอานาจของพระองค์นะครับ สิทธิอำนากของพระเยซูนั้นเป็นสิ่งที่จะทำให้เราทั้งหลายรู้ว่าเราจะต้องมาถึงจุดที่จะยอมรับหรือไม่ยอมรับสิทธิอม น, นั้นั้นถ้าเรายอมรับจะมีผลอะไรต่อเกิดขึ้นต่อเนื่องกันพี่น้องครับในวันนี้นะครับเราจะดูะครับว่าคนที่ปฏิเสธไม่ยอมรับพระเยซูซึ่งบันทึกอยู่ในพมภีนั้นเป็นผู้นาในธรรมศาลาครับเพื่อน เพื่อนบ้านของพระองค์เนี่นะเลตญาติบางคนของพระองค์หรือแม้แต่สมาชิกบางคนในครอบครัวของพระองค์เราเห็นนะครับว่าคนที่ถูกจัดไว้อยู่ในคนในกลุ่มของคนที่ไม่รับสิทธิอำนาจของพระเยซูแต่ถามว่าใครบ้างครับที่ยอมรับสิทธิอำนาจของพระเยซูในบัมพีตอนนี้คําตอบก็คือพวกเหล่าสาวกครับเหล่าสาวกที่เป็นคนข้างนอกเหล่าสาวกที่ไม่เคยรู้จักกับพระเยซูมาก่อน แต่เขามีความเชื่อเขาติดตามพระเยซูและเขาเห็นกันอัศจรรย์เพราะฉะนั้นเมื่อพระเยซูบอกว่าเรามอบสิทธิอำนาจให้ท่านเขารู้ครับว่าเขาจะเป็นผู้ที่รับมอบสิทธิอำนาจจากพระพีก่อนนั้นครับเมื่อวานนี้เราพบว่าพระเยซูก็ได้มอบสิทธิอำนาจให้กับเขาเป็นคู่คู่ออกไปประกาศ ข, ข่าวประเสริฐออกไปพูดถึงเรื่องของแผ่นดิสนสวรรค์ให้คนกลับใจเสียใหม่ลองดูนะครับในขณะที่คนกลุ่มแรกไม่ยอมรับแต่คนกลุ่มที่สองยอมรับครับนะครับ คนที่ไม่ยอมรับเขาก็จะไม่ยอมรับคนที่ยอมรับเขาก็จะพยายามที่จะเชื่อฟังและยอมรับพต้องสังเกต ด, ดูนะครับในพระเจนะของพระเจ้าเนี่ยก็พูดทํานองเดียวกันในลูกาบที่สิบหกกบสิาได้บอกว่าไม่มีผู้ใดเป็นข้าสองเจ้าบ่าสองนายได้เพราะว่าจะชังนายอีกข้างหนึ่งและจะรักนายอีกข้างหนึ่งหรือจะนับถือนายฝ่ายหนึ่งและจะดูหมิ่นนายฝ่ายหนึ่งพระเจนะพระเจ้าตอนนี้นะครับแถมเราชัดเจนครับว่าเราจะต้องเลือกนะครับ เพื่อที่จะยอมรับนะครับเหมือนกับชายที่ถูกผีสิงที่พระเยซูรักษาใกล้ๆเขตแดนเยเดรานะครับพายุนะครับที่สงบท้องทะเลนะครับก็สงบนครับนี่คือสิทธิอำนาจของพระเยซูเราเห็นนะครับว่าพระเยซูมีชงมีสิทธิอำนาจมากมายครับหญิงที่ป่วยด้วยโรคกระหิตตกก็เช่นเดียวกันครับชายตาบอดสองคนคนป่วยที่เป็นใบ้าเหมือนกันครับเพื่อนๆของชายที่เป็นใบ้เพื่อนๆของชายที่ มีปัญหาเหล่าเนี่ยครับญาติพี่น้องเหล่าเนี่ยเขาอยอมรับครับเมื่อเขาอยอมรับเขาก็ได้รับพระพรและการรักษาที่มาจากพระเจ้าพี่น้องครับเรามาดูกันครับว่าเหตุการณ์ที่พระเยซูทรงถูกมาทดลองพระองค์จัดว่าไ้ซ า, าตาจงไปให้พ้นเพราะพระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่าจงกราบทรัศน์การพระเจ้าพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของท่านและปฏิบัติพระองค์แต่ผู้เดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลือกนะครับว่า เราจะยอมรับสิทธิอำนาจหรือไม่ยอมรับสิทธิอำนาจนั้นการรับมอบสิทธิอำนาจนั้นก็ทําให้ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงครับทําให้คนรอบข้างเปลี่ยนแปลงและในขณะเดียวกันครับทําให้มีคนมาเชื่อในพระเจ้าพระเยซูเพราะฉะนั้นสิทธิที่อำนาจและอำนาจของพระเยซูนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญมากเราต้องรับมอบครับและเราพูดถึงการยอมรับรับมอบสิทธิอำนาจนั้นหลังจากรับมอบแล้วเราจะมีโอกาสนะครับเป็น วาระที่เราจะแสดงออกถึงสิทธิอำนาจและนิฐานุภาพของพระองค์ในชีวิตของเราเป็นนะครับสิทธิอำนาจสูงสุดที่พระองค์ทำกับเราในทุกวันนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงชีวิตครับเปลี่ยนแปลงชีวิตให้เหมือนพระเยซูนะครับเปลี่ยนแปลงเราให้ทําบาปน้อยลงเปลี่ยนแปลงเราให้เลิกนิ ส, สัยอุปนิ ส, สัยที่ไม่ดีที่เกาะชีวิตของเรามาตลอดนี่คือสิ่งที่พระเยพระเยซูเปลี่ยนแปลงครับและนี่คือสิทธิอำนาจ เมื่อพระองค์มอบอํา น, นาจให้กับเราแล้วเราก็จะสามารถเรียกนะครับเรียกหรือว่าช่วยให้คนอื่นเป็นสาวกเหมือนอย่างเราเช่นเดียวกันที่นะครับผมอยากจะให้ฟังพระเจนะพระเจ้าอีกตอนหนึ่งครับกิจการบทที่หนึ่งข้อที่เจ็และข้อที่แปโปรดฟังพระญาณของพระเจ้านะครับไม่ใช่ธุระของท่านที่จะรู้เวลาและวาระซึ่งพระบิดาทรงกําหนดไว้โดยสิทธิอำนาจของพระองค์แต่ทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิเดเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่าน และท่านหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราเห็นไหมครับผู้ที่ต้อนรับพระเยซูนะครับผู้ที่บังเกิดใหม่รับเชื่อในพระองค์ว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าเป็นและเป็นพระผู้ช่วยรอดนั้นเมื่อเขาต้อนรับพระเยซูเขาบังเกิดใหม่แล้วนะครับพระเจ้าก็ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ทันทีเลยครับพระเจ้าประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ทันทีให้กับทุกคนที่กลับใจใหม่สารภาพต้อนรับพระเยซูและบังเกิดใหม่นะครับซึ่งตรงนี้ครับ เมื่อพระวิ ญ, ญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในชีวิตของเราแล้วก็จะมีกําลังนะครับอำนาจเกิดขึ้นกับเราทันทีเลยครับและพระวิ ญ, ญญาณก็จะเสริมกําลังอํานาจให้กับเราและนําเราและดนใจเรานะครับเพราะว่าจะนะพระเจ้าอีกตอนหนึ่งครับในยอห์นบทที่หนึ่งข้อสิบสองครับหลายท่านท่องได้นะครับโปรดฟังพระจนะของพระเจ้าแต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์พระองค์ก็ทรงประทานสิทธิ ให้เป็นบุตรของพระเจ้าคําว่าสิทธิครับเห็นไหมครับเราจะได้รับสิทธิในการเป็นบุตรของพระเจ้าเป็นผู้ที่รับทาญาต์รับมรดกนะครับและเป็นผู้ที่จะต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่ด้วยนะครับสต่สารภาพทุกสารภาพทุกๆตําแหน่งมีหน้าที่ติดตามเสมอและหน้าที่มีเพื่อไว้เพื่อรับผิดชอบครับหน้าที่ไม่ได้มีไว้ปัดนะครับแต่หน้าที่มีไว้รับผิดชอบเพราะฉะนั้นพระเจ้าทรงประทานสิทธินะครับ เมื่อมีสิทธิต้องมีหน้าที่รับผิดชอบต่อมาให้เป็นบุตรของพระเจ้าสองทมิวตีบทที่หนึ่งข้อเจ็ดครับเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงประทานจิตที่ขาดกลัวให้กับเราพระเจ้าไม่ได้ทรงประทานสิทจิตที่ขาดกลัวให้กับเราแต่ได้ทรงประทานจิตที่กรอบด้วยฤทธิ์กรอบด้วยเรธความรักการบังคับตนเองให้กับเราดีครับเราเห็นนะครับนี่คือการรับนะครับรับฤทธิ์แทนุภาพรับความรัก รับการบังคับตัวเองนะครับตรงนี้ครับทําให้เรารู้นะครับเมื่อเราต้อนรับหรือรับมอบสิทธิอำนาจของพระองค์แล้วแน่นอนครับเราจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นนะครับทีนี้ครับเรามาดูกันนะครับว่าคนที่ยอมรับกับคนที่ไม่ยอมรับทําอะไรแตกต่างกันบ้างนะครับคนไม่ยอมรับนั้นไม่ยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยรอดคนที่ยอมรับนะครับเขายอมรับเชื่อด้วยปากนะครับและใจเขานะก็เชื่อจริงๆด้วยปากตรงกับใจนะครับ ครับว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยรอดครับอันนี้คือความแตกต่างยอมรับสิทธิอำนาจก็คือเขารับเชื่อนะครับไม่ยอมรับสิทธิอำนาจหมายถึงว่าเขาไม่ยอมรับเชื่อนะครับเมื่อไม่ยอมรับเชื่อถามว่ามีจิตใจไ ม, ไม่ไม่มีความเชื่อเขาจะอธิษฐานไหมครับก็ไม่อธิษฐานแต่ในขณนะเดียวกันครับตรงนข้ามยอมรับนะครับใครที่ยอมรับสิทธิอำนาจนั้นก็ยอมรับครับว่าพระเจ้านั้นเป็นเอกเป็นใหญ่นะครับเขาอธิษฐานเ ข, า, า, นขายอมอธิษฐาน นะครับทูลขอพระเจ้าในเรื่องต่างด้วยความเชื่อเห็นไหมครับนี่คือฝั่งที่ยอมรับครับกลับมาฝั่งที่ไม่ยอมรับครับคนที่ไม่ยอมรับเสีด็จยมนานั้นก็ไม่ยอมศึกษาพระธรมภีรนะครับไม่ยอมศึกษาพระธรมภีไม่ยอมเป็นพยานแต่คนที่ยอมรับเสด็จยมนานั N ้นเขาต้องมันศึกษาพระธรมปีครับอ่านทุกวันเพื่อที่จะแบ่งปันให้กับคนอื่นเพื่อเป็นผู้เลี้ยงคนอื่นเพื่อเป็นผู้นําฝ่ายย้ายให้กับคนอื่นครับในกาเดำเนนการครับ เขาก็บอกเรื่องความเชื่อของเขานะครับให้กับผู้อื่นนั่นคือการประกาศกับผู้อื่นนั่นเองการประกาศโดยที่ไม่ต้องอายครับนะครับคนที่ยอมรับพระเยซูสัมผัสถึงฤิษเดชสิทธิอำนาจที่เยซูให้กับเขาแล้วแน่นอนครับเขาเป็นพยานนะครับในพระคัมีร์ว่าเป็นพยานฝ่ายเรานะครับและเป็นพยานตั้งแต่เยอเซมยูเดียนะครับสมารียจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกนะครับให้เรามาดูนะครับในพระเย ในพระธรรมยอห์นครับบทที่13ข้อ35นะครับพระเยซูตรัสไว้ครับว่าอย่างนี้เจ้าทั้งหลายถ้าเจ้าทั้งหลายรักซึ่งกันและกันดังนี้แหละคนทั้งปวงก็จะรู้ได้ว่าเจ้าทั้งหลายเป็นสาวกของเรานะครับเราจะเห็นนะครับว่าคนอื่นจําเป็นจะต้องรู้ว่าเราคือสาวกของพระเยซูและเขาจะรู้ว่าเราเป็นคริสเตียนเราเป็นสาวกของพระเยซูดูได้จากที่ ไ, ไหนครับดูได้จากที่ไหนครับดูได้จากชีวิตของเรานะครับ ดูได้จากจากการยอมรับสิทธิอำนาจรับมอบหน้าตรงนี้มาและนะครับแสดงออกในสิ่งที่เราได้กระทาสิ่งที่เราเชื่อสิ่งที่เป็นการรับมอบอำนาจนั้นแสดงออกมานะครับเพราะฉะนั้นครับนี่ครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะนัข้ครัวนะครับในพมพีตอนนี้นะฮะว่าเราอยู itat, oriented, ่ในกลุ magic, ่มที่ยอมรับหรือไม่บางคนบอกว่าฉันยอมรับบ้างไม่ยอมรับบ้างนะครับบางคนบอกว่าฉันยอมรับแปดสิเปอร์เซ็นต์พี่น้องครับ เราต้องขอพระเจ้านะครับด้วยการอธิษฐานนะให้เราอธิษฐานในใจว่าเรานั้นอยู่ตรงไหนแล้วนะครับเ พ, พิ่มพีบอกว่าเมื่อเรารู้ว่าเราอยู่ตรงไหนหมายความว่าเราประเมินผลตัวเองแล้วนะครับเราก็จะรู้ว่าเราจะก้าวต่อไปนะครับอีกไกลแค่ไหนอีกนานแค่ไหนเห็นไหมครับพี่น้องครับเราเป็นลูกของพระเจ้าแล้วนะครับเพราะว่าเราได้สารภาพบาปแล้วเราได้ตั้งเกิดใหม่แล้ว ครับเราได้คืนดีกับพระเจ้าแล้วแน่นอนครับพระวิญญาณบริสุทธ์นะครับพรงเป็นเจ้าของเราแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จเข้ามาในชีวิตของใครแล้วแต่นะครับชีวิตเขาเขาอยู่นิ่งไม่ได้ครับอยู่นิ่งไม่ได้หมายความว่าองหมายความว่าจะต้องลุกขึ้นนะครับทําตามพระมหาบัญชาครับเพราะคนที่เป็นเจ้าของชีวิตของเขาไม่ใช่ตัวเขาต่อไปแต่เขาเป็นมีนะครับเขามีพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเจ้าของ น้องครับนี่คือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากพวามผีตอนนี้ก็ขอให้พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานให้พี่น้องได้มีโอากาสเรียนรู้และเข้าใจพระวจนะพระเจ้าตอนดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกันขอพระเจ้าอวยพร ท, ท, ท, ทุกท่านนะครับที่เราจะเป็นผู้ที่ยอมรับเสียเทียมนาและรับมอบเสียเทียมนานนั้นในการเป็นพรกับคนอื่นนะครับขยายแผ่นดินของพระเจ้าต่อไปครับขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดี